ก็ยงกลัวอยู่เพรามาถึงวันนี้คงจะได้มีอะไรที่เด็ดขึ้นมาเรื่อยๆหลวงพ่ออยากจุดธูดต้นแบบใหม่ทำสน า, น า, าธิแบบศีรษะดันพลังจุตตานุภาพานนี้ถือว่าต้นแบบใหม่เพราะว่าเมื่อ ใ, ใครจะไปทำสนาธิยี่อันดัแบแรกต้องมีวัตถุสลากอันดับต่อมาคือ มาสมาธิก็ต้องนั่งคุนว่าวันดับต่อมากลับบา้านถามว่าเป็นยังไงบ้า ง, างมาสมาธิสบายลักษณะจะเป็นอย่างนี้แม้แต่ตัวของหลวงพ่อเองก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อมาพูดถึงว่าถ้าเราทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆโดยจิตวิข้าหน้าก็จะต้องทําอย่างนั้นติดต่อไปในใจนี้จะคิดว่า มันเป็นเรื่องไม่ใช่จะถูกต้องว่าอะไรเพราะว่าโลกศาสตวัดโลกเขาก้าวไกลแล้วสมาธิยังจะมาทนแบบอนุรักษ์นิยมโดยการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าก็จะไม่เกิดขึ้นเรนี้เนี่ยนาทันหนึ่งถึงว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเราอยากจะรู้อะไรบางอย่างเราไม่สามารถทำได้ เพราว่าเพราะทีหนึง่งเราก็กลัวอาจารย์แล้วอีกอย่างหนึง่งอาจารย์ก็ไม่มีโอกาสให้กับเราแล้วเรากว่าจะได้ถามแต่เราล่วงบางทีตั้งสามเดือนก็ได้ถามรื่องหนึง่งเพราจ ะ, ะนันเนี่ยเป็นอย่างนั้นเอ่นนเอการบรรยายล่วงของจิตนี่มันไมดพอมันไม่พ อ, พอที่จะไปถามพระอาจารย์มันก็กลมทีมันเร่วยใปแล้วก็ไม่รู้จะแก้อย่างไง เพราะว่าจะไปถามท่านอาจารย์เวลาก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นจึงได้หาหนทางแก้ไขว่าต้องหาทางทําให้ได้ตลอดระยะหรือตลอดระยะเวลาเช่นเรางาบรรยายใช่ไหมการบรรยายต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการแก้ถขไปในตัวก็เข้าไปนั่งพอนั่งจบแล้วก็มาฟังคำบรรยายต่อแล้วก็ไปนั่ง ความเค่วงไหวของจิตใจนี้จะมีมากกว่าเมื่อมีมากกว่ า, าแทนทูจิตนั่นจงจะรอตั้งหลายเดือนหลายวันหลายปีแต่ว่าเราก็สามารถย่นได้แค่ครัววันอาทิตย์เดียวก็ได้มากกว่าตั้งหลายปีอย่างนี้เป็นต้นเพราะเมื่อมาถึงในวันนี้ก็คงจะตั้งพูดกันตามรนะยะเพราะว่าหลักสูตรหรือแบบแผน เราได้จหรือกาหนดไวตามระยะที่มีในหนังสือนั้นขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่กาํหออาหนดเอาแบบการความรู้สึกใจหรือเรากําหนดเอาแบบไม่มีจุดเด่นให้ว่าในการกําหนดการที่ได้เขียนมาไว้นี่ทําส็นเรื่องของกฎเตณฑ์ว่าจิตใจของเรานี่เราจะเริ่มต้นแล้วก็ เราควรจะรู้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงข้อที่ห้าคือแม่เกี่ยวกับลมหายใจก็จะอธิบายตามชื่อได้เขียนเอาไว้แต่มันไม่อยู่ในเล่มอยู่ในเล่มนี้ก็คงจะต้องอ่านแล้วก็เข้าใจไประดับหนึ่งลมหายใจต้องถือว่าเป็นสุดสิญชาติของจิตสมาธี่เป็นความสงบ จะมีความสัมพันธ์กันโดยฉลอดดังนั้นการเริ่มต้นแ่าจะนึกว่าพุทโธพุทโธลมหายใจก็จะต้องติกตามพุทโธอยู่ตลอดแต่ว่าลมหายใจนั้นควรจะอยู่จะเพาะลมหายใจควรจะทราบว่าลมหายใจก็คือกายอันหนึ่งในที่นี้นเราจะต้องรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ย มันไม่ใช่มีเฉพาะลมหายใจถูงจะเป็นประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายได้ความที่จะประกอบเป็นร่างกายได้นั่นก็ต่อเมื่อมีธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้าไฟลมธาตุทั้งสี่นั่นประกอบกันจึงจะเป็นร่างกายเราจะไปยคิดว่าลมหายใจนั่นมีความสำคัญแต่ว่าในจํานวนธาตุทั้งสี่ ก็มีความสัมพันธ์ไม่ได้ยิ่งก่อนไปตัวกันควรจะทราบว่าลมหายใจก็คือจจากายชนิดนี่เพราะว่ากายของคนเรานั้นจะต้องประกอบไปได้วยธาตุทั้ง4ี่คอดินน้ำไฟลมหรือว่าดินน้ำลมไฟสิ่งไหนที่มันแข็งแข็งสิ่งนั้นจะละเอียด ก, กว่าเป็นธาตุดินธาตุดินนียอาจจะเป็นกระดูก อาจจะเป็นเนี Hoy, the the ่ยอาจะเป็นหนังถึงเรานี้กโลกซอะไรนี่พวกผมพวกเรเหล่านี้เขาเรียกก็เป็นลักษณะของเนลักษณะแข็งใต้ฟงตนดินสิ่งใดที่มันเหลวเหลอก็เรียกว่าน้อาจจะเป็นเลือดอาจจะเป็นน้ำอะไรกอเยอะน้าในร่างกายนับไม่ไหวแต่ทีนี้วงพอก็ไม่ได้หรือเสียย่ยมาด้วย เออจะไหนเวียนจะวิละก็คงจะเข้าใจว่าน้ำก็คือน้ำตาน้ำลายน้ามูกน้ำเหลืองอะไรก็ว่ากันไปสิ่งใดเพื่อบอุ่นหรือทาร่างกายของเราเนี้อให้มีความร้อนอยู่เสมอเสมออย่างเงี้ยแล้วยาดธาตุไฟสิ่งใดที่อพัดไปพัดมาอย่างนี้เรียกยอาตลม เมื่อ้าทั้งสี่เนี่ยประกอบพร้อมเราเรียกว่ารูปธรรมหรือร่างกายนั้นลมก็ดีไฟก็ดีน้ำก็ดีบุญก็ดีรวมกันทั้งหมดเรียกว่ารูปธรรมเหตุนี้ลมหายใจจึงเป็นกเพียงส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์เอา อ, อาจจะคิดว่าลมหายใจมันมีการงทางตรงน้ําตรงนี้แต่ว่า ลมหายใจก็คือส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์เมื่ยทำสมาธิตามสภาพแห่งความจริงการทําสมาธิเพื่อบองดดัองเกิดสมสความไม่หมายเคภาพทั้งสี่เนี่ยเรื่องก็ปกติคํำว่าปสตินั่นคือมันไม่แย่หรว่าไม่เสียไม่เสียหายามันเกิดการเสียหายไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ทําให้ร่างกายเนี่ย มีอาการเป็นการไม่ปกติเมื่อไม่ปกตินั้นอะไรเกิดขึ้นมันก็ทําให้เกิดที่คลมที่ตานหรือทําให้เกิดก็ก็เสียหายทีอย่างง่ายๆเมื่อเป็นเช่นนั้นจะเอามาทําสมาธิก็เอ่อในโลกของใจงแย่เหมือนกันถ้าอะไรต่ออะไรมันเสียหายไปหรือแบบแขนขาบกตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อถ้าท้องตีมีความปกติตามสภาพ ของความจริงการทำสมาธิก็บางเกิดลมลมหายใจเนี่ยจะอยู่ใกล้คิดขณะบริกรรมแทจึงขอให้เป็นความปกติใจหรือว่าใช่คิดกันแต่คำบริกรรมอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันกับธาตุอืน่นความเป็นสมาธิก็จะเกิดจากความปกติของทุกทุกธาตเพราะว่ารูปธรรม คือธาตาาุทั้งสีนน่เป็นตัวประสานงานตัวตัวประสานงานและเรียกว่าธาตุทั้งสี่คือธาตุทั้งสี่นี้จะเป็นตัวประสานงานให้จับใจของเราอีกทหนึ่งในการที่เราจะดำเนินการทำสมาธิในการที่เรามาศึกษาตรงนี้เราต้องการให้ทราบถึงว่า ความสําคัญของร่างกายที่เป็นตัวประสานงานมืออะไรที่มีความสําคัญยิ่งย่อนไปกว่ากันเราต้องควจะเข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นธาตุดินธาตุน้ําไม่ว่าจะเป็นธาตุลมธาตุไฟธาตุทุกธาตุจะมีความสําคัญในการประสานงานาร่างกายเอาว่ากันถึงร่างกายทำหน้าที่นั่งทำหน้าที่ยืน ทำหน้าที่เดนินทำหน้าที่นอนร่างกายทำหน้าที่ของเขาเขาจะเดนะินล่ะหน้าที่สองเา้าเขาจะนั่งละ่ะจะให้มันเป็นสมาธิหรือว่าจะนอนจะให้เป็นสมาธินี่คือหน้าที่เราทำหน้าที่หายใจส่งกระแสไปตามจุดต่างๆของร่างกายโดยร่างกายของเราเนี่ยเราไม่เพิ่อมันจะมีลมหายใจอย่างเดียวมันไม่ใช่เราเป็นภาในเนี่ย เขาเรกว่าบางคนอย่างเนี้ยเป็นลมอ่าทำไมถึงเป็นลมหาว่าเป็นลมก็เพราะว่าพลาดมาเนี่ยเสียไปอย่างว่าอ่าเป็นลมล้มตึงเนี่ยนี่ใครอ่ะจป็นลมล้มตึงก็คือหลวงพ่อคือตอนที่ยังเป็นเด็กเดกที่มันจะเป็นธรรมชาติทําไมมามันถึงมืดตาเราเนี่ยลืมอยู่แต่แค่ๆแต่ว่าลืมก็มองไปไม่เห็น ตาเนี่ยมันมองความเห็นเพราะว่ามันเป็นลมอา่าลมอะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่าลมอะไรอ่ะมันตื้อขึ้นพอมันตื้อขึ้นนี่หัวจะปวดพอหัวปวดแล้วทับเดียวทาย่านนั่นแหละในตานี่มันจะมืดพอตามืดแล้วก็ไม่เห็นอะไรมันจะลมตึงอย่างนี้ทีนี้หน้าที่ของไฟไฟก็มีหน้าที่ปรับปรุงให้คุณในทั่วสัญญาทางกาย มีหน้าที่ไฟเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยเราลองคิดดูว่าคนตายเนี่ยไฟยหายไปไหนมีตัวเย็นเคื่อบหมายความว่าอตายแล้วคือถ้าหากว่าอธาตุไฟนี่ไม่ทําหน้าที่ก็หมดหน้าที่เมื่อหมดหน้าที่ร่างกายเราก็เย็นในเวลาที่หลวงพ่อไปเยี่ยนเข่พอส่วนจะตายแล้วหลวงพ่อไปพุโทโธหบอกเขาพุทโธหน่อย ถ้าจะปจ่อยจากโอ้ยทำไมมันเย็นอย่างนี้เราจะแสดงว่าทาตไฟนั้นไม่ทพน่าที่แล้วเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในเวลานู้นั่นคือทวบไฟได้ปรับเนี่ยอุณหภูมิของร่างกายของเรานี่ให้อยู่ในระดับเงี้อยู่ในระดับสูงจนไปเป็นไข่อยู่ในระดับต่ำจนไปปเ็นอะไร้ท ไ, ไม่ได้เรียนมา <c oughs> คิดเขาว่าในขณะที่นั่งสม า, า, าธิวงนข้อก็พิจารณาว่าอคุณหภูมิที่ปรับอยู่ในร่างกายอันนี้เนี่ยมันจะต้องมีเช่นอย่างเลือดของเราเดิ่นไปเนี่ยอมันจะเกิดความอุน่นมันอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าอุณหภูม่พอดีถ้าหากว่าตัวเรานี้ไม่มีส่วนอืนอ่นอมันก็จะเน่าจะเน่าเสียไปเพราะว่าอุณหภูมิไม่ได้สัดส่วน ในขณะที่อุณหภูมิได้จัดส่วนเนี่ยก็จะทําให้สมองของเราไม่เสียไม่เน่าหรือว่าอาทำนิว้วหรือว่าทำอะไรเนี่ยไม่ให้เสียหให้เน่าก็อาศัยอุณหภูมิของธาตุไฟเพราะธาตุไฟมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติทพ่อจะสร้างเอ้อุณหภูมิมันมีไว้โดยตลอด ก็จะนั้นในขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าหาว่าสเสกเย็นเยียกขึ้นมาแล้วหมายความว่าจะเป็นลมแล้วถ้าไฟมันไม่ทํางานเราจะแย่ในขณะที่เรามานั่งกันอยู่เนี่ยมีอุณหภูมิ 3.5 องศาสำหรับมนุษย์ทุกคนจะมีอุณหภูมิ 3.5 องศาเเรียกว่าพอดีเพราฉนั้นเป็นอุณหภูมิ 3.5 องศา10ปัน305ติด ร้ายคนสามพันห้าร้อล้วทีนี้จะนั่งสมาธิอยู่ในห้องอ่ะังหลายร้อยคนไม่รู้สี่พันวีตรีอยู่ที่นั่นของหลวงพ่อสู้เกือบไม่ไหวทีนี้อ่าต้น้ํานผ่าต้น้ํานั้นมีหน้าที่หล่อเลี้ยงความชุ่มชื้นคือในร่างกายของเรายังมีอีกขั้นห น, น, นึ่งท้าเรียกว่าผ่าต้าน้ำผ่าต้านนี่เช่นอย่างเลือดเนี่ยมันแห้งไป ก็แน่นอนแล้วว่าร่างกายตรงนั้นอันสเสด็จที่การขึ้น ม, มาทันทีเพราะว่าธาตุน้ำเนี่ยมีความสําคัญอย่างจริงในร่างกายท่านชนเพราะว่าชนเกิดมาจากไหนเกิดมาจากน้ําร่างกายของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าทําไมมันถึงเป็นกระดูกทําไมมันถึงเป็นเส้นขนทําไมมันถึงม่เป็นกะโหลกศีรษะ ไม่มาเป็นอะไรเนี่ยถ้าทีจิเนี่ยมันเกิดมาจากนาก้ำหดหนึ่งในขณะที่น้ำหดหนึ่งเกิดขึ้นมันมันจนมีิตปุจจริาุารานีจ่นนจะเข้าไปถึงสถิตโยมาน้ดนั้ น, นเ น, นี่ยน้ำหดนันถูกปุจจาาณเนี่ยเข้าถึงสถิตแล้วน้ำหดนันจะเขอาขยายตัวออกจงได้ทั้งกลายมาจนร่างกายของมนุษย์ เหตุนี้ในคำพูดพุทธศานาจนึงได้กล่าวว่าคนที่จะเกิดขึ้นมานั้นจะต้องเกิดขึ้นมาจากกะลารักษ์นี่ว่าตะลาลัในคำถูดแรกคือคำพูดอนัตตะรัชนาสูตรซึ่งต่อไปจากท่าไม่จัดกต่เพวัตรัชนาสูตรนั้นท่านแสดงถึงเรื่องนี้ว่ารูปังตูปังอน า, าสังจิตปัญญามีอาการไมดี รูปังแปลว่ารูปอจีอรูรังแปลว่าถอยหลังกลับอดีตอนมามัสตังแปลว่อาอนามโคสจุดกำลังแปลว่าในปัจจุบันอย่างนี้เมื่อท่านจะกล่าวถึงอดีตคือรู ป, ปังเนี่ยอดีตเกิดมาอย่งไรเนี่ยท่านจะกล่าวไปถึงว่าเวล า, านี้กัญจวัคคียอายุเท่าไหร่ปัญจวัคคีย์ตมจุดเรียกว่าคนที่ตามจดตัวอายุห้าสิบอย่างเนี่ย แล้วก็สีสิบเป็นยังไงสามสิบเป็นยังไงยี่สิบเป็นยังไงเก้าแปดเจ็ด p l ห้าสีสามสองหนึ่งเป็นยังไงเข้าอยู่ในท้องเป็นยังไงตอนที่จะโผล่ขึ้นมาเป็นยังไงท่านจะแสดงไว้ในคำพูด น, นั้นคือหลวพอองพ่อเอามาพูดเนี่ยพูดกลางคำพูด ท, ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกแล้วท่านก็บอกว่าจิตปัญญาณเมื่อเข้าสู่กาลละคือเท่ากับน้ำมันหยดหนึ่งนั้น นันแหเรียกว่าประสมเกิดขึ้นมาแล้วน <did> ันเรียกว่าอดีอาตุังวาเมื <za> ่อจิตตวิญญาเข้าถึงกสิจิตได้กลาปจากะลละจะจายเป็นอันใคย่ค้เารียกว่าไทดใครจากอันใคร่เข้มาทำพูชักทำผู้ชะนี่ก็เปนก้อนเลือดพอจากก้อนเลือดทำผูพชักอันใคร่ค้าทำผู้ชัเป็นไารทั้งมาตรงก้อนเนื้อ ออกจากก้นเนื้อแรกก็จะ ก, กลายมาเป็นันจ่ายขาขาคือขาสองแ ส, สองหัวหนึ่งเนื่อเป็นเช่นนั้นก็ชอบออกจากชันมันดาทีเขาเรียกว่าอาติสังวาแเอาคำที่หลวงพ่อพูดมานี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าแสดงคำให้แก่ท่านพันเจวัคือหวังที่จะให้ท่านพันจวคือไม่หลุดพ้นจากกิเลสให้เป็นพระอระหรันต มีเนื้อสูอุบายของนิปัจฉนาเพื่อจะให้พิจารณาว่าภายในดูเป็นมายังไงพอจากน้ำไปแค่ให้ท่านจำเจว่าคูอพิจารณาต่อว่าจากน้ำไปเป็นยังไงสิบสิบเป็นยังไงแปดสิบเป็นยังไงเก้าสิบเป็นยังไงร้อยหนึ่งเป็นยังไงแต่แล้วตายเนี่ยเรียกว่านายกจังววะเหลือแต่เสด็จปัจจุบันนังวาให้พิจารณาในปัจจุบันมีพิจารณาอย่างไร นิจจรณาว่ า, าผลผลเล็บฝันหนังออกมาทางตาคือตาทางหูคือหูทางจหมูคือหมูทางกายคือนื้อคืาย่างกายของคนเรานั้นเป็นอริยพระเป็นของไม่สือไม่งามไม่เที่ยงไม่ถาวรพูดอย่างนี้ชักไม่ดีแล้ว <c oughs> อันนี้คือวิจารณาวิจาราก็ต้องเดินไปอย่างนี้แต่ว่าหลวงพ่อเนะี่ยถ้าพยายามที่จะทำ คำจิกตการนิพพานหมายความว่าพยายามจะสร้างฐานของสมาธิให้มากที่สุดแต่ที่จําเป็นต้องอธิบายวันนี้นั่นเพราะว่ามันจําเป็นต้องอธิบายธาตุทั้งสี่เนื่องจากว่าเขาได้พากันคิดว่าลมนี่แหละมันรอดขึ้นซาอืนอ่นอื่นเพราที่จริงนั่นน่ะมีฐานะเท่ากันเนี่ยเป็นเช่นน้ำน้ํามีหน้าที่สิทธิหล่อเลี้ยงคลานชุ่มเทน มีหนาที่ที่จะสอให้มนุษย์ทั้งหลายเติมาเป็นคนอย่างมือถืต้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมองขห่งการทำงานประสาทแห่งความรับรู้ก็สามารถที่จะมาร่วมงานกับใจของเราเป็นเสถรความกระตุ้นย้อนกลับเข้าสู่ระบบของการไม่คิดเมื่อเมื่ออาสัยข้าทัตรีมีปกติเพร้อมบริดูลแล้ว สมองแคจะต้องทำงานขึ้นประสาทก็ต้องทํางานขึ้นก็ต้องการขึ้นจะให้เกิดการรับรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะมาร่วมงานกับใจใจที่ได้ถือกันเหน็ดมา ต, ต, ละละตั้งแต่กันแลากัตั้งแต่ต้นนะเมื่อไปสามลาออาศัยสติระลึกเป็นอารมณ์ในความรู้สึกเป็นกระแสใส่ใจตามตัวประสานงานือร่างกายเนี่ย เมื่อมันสผลกระตุกขึ้นมาว่ามันจ ะ, จะดำเนินการตามธรรมะวิธีแต่ในวิีของร่างกายที่จะประสานให้สมองเป็นผู้สั่งงานแล้วก็ประสานให้ประสาทเป็นผู้รับรู้ไอ้สิ่งเหล่านี้เมื่อประสานกันขึ้นมาก็จะเกิดเป็นตัวอารมณ์ขึ้นแต่เมื่อมาถึงแนวทางของการเป็นสมาธิด้วยความสา ม, มารถของมนุษย์จึงได้แก้ไข ให้เกิดลักษณะของการทำสมาพุทขึ้นเพื่อให้เกิดความสงบแทนที่ว่าเราจะเอาแต่ความคิดความนึกอย่างเดียวก็มาหาทางแก้ไขให้เกิดความสงบ เ, เพราะอะไรเพราะว่าความไม่สงบขอให้เกิดภาพทั้งสี่นั้นมีการเกิดทบกระเทือนไปยังประสาทส่งผลเกิดทบไปยังสมองเมืเ่เกิดความฟุ้งซ่าน เมื่อเสดรมณ์เมื่อเสดสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็จะทําให้ประกอตัวขึ้นมาจะทบะทือนถึงอวัยวะอของร่างกายต่างๆท่าทั้งสี่เพราะฉะนั้นสถาบันถึงได้เดำเนินงานเยี่ยงสมาธิการกระทบะเทือนที่ประสาทต่างๆก็จำลงไปประสาททางานแบดสบายสมองก็พักการสั่งาน เกิดระบบงานเป็นรูปธรรมที่ดีสมาธิจึงมีความสําคัญซิ่งนักมาถึงขั้นนี้เราก็จะทราบความสําคัญของทุกทุกธาตุในธาตทั้งสี่การบริกรรมจึงใช่ที่ทําบริกรรมจึงไม่จำเป็นเทออี่จะอหยุดแต่ลมหายใจในภาตุทั้งสี่การบริกรรมเป็นใช่ที่ทําบริกรรม จึงไม่จำเป็นที่จะจออยู่แต่ลมหายใจอย่างเดียวก็มีผลแค่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอธิบายในส่วนต่างๆที่อยู่ในเล่นนี้ถือว่าในเล่นนี้จะอธิบายคำว่าค่านีอยู่ที่ว่าลมหายใจนัน่นก็เป็นเรียกว่ามีค่าค่าที่สูงที่สุดเพราะว่า หยุดลมหายใจเมื่อไรแล้วข้าทั้งหมดมันก็หมดไปร่างกายเราก็หมดไปแต่ทีนี้ก็จงพาคนเข้าใจเสร็จว่าที่อธิบายนั้นเราอธิบายเพียงภาพเดียวแต่ในการที่เ ท, เทำชุดเช่นกันพิเศษนั้นเพื่อที่จะเอเขาเรียกว่าเก็บความลับธรรมดาอาจารย์นเนี่ยเขาจะปล่อยให้รู้จิตหมดไม่ได้ อ่านั่นต้องเจ็บด้วยบ้างเพราะฉะนั้ น, นแล้วพอลูกศิษย์ลูกสุดคิดล้านคทูลูกหน่งลูกคุณพ่อมันก็เสียดเดียดเดินกันแล้วถ้าฟันสุดปัญหาอะอะไรที่เขาเพูดกันเป็นคนโพงเป็นกรเพราะฉะนั้นอาจารย์เขาถึงมีเ้แ็ดลับเพื่อจ ะ, อะดับเส้นทางลูกสุดยไว้อยูเ่เม็ดหนึ่งอย่าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลวงพ่อไม่มีหรอก ให้หมดแล้วนอันดับแรก็ขอเชิญจะคุณนักลิมลัดตรนีสงาใจรเคยทำสมาสมัที่ยัง่ได้จัดทำิธีคิดของอาจารย์นั่งเงินหรือว่านั่งสมาีิแล้วคิดขณะดูไอ้เครื่งย แลก็ได้เสียง ด, ดังเป ย, ยังเลยที่ฟูนี่ตกใจมากเลยและก็เหนอยออกก็ใช้ใช้เส้นแดงก็อยากสอบเรียนถามอาจารย์ว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรและจะแก้ไขได้อย่างไ ร, น ร, นรงเนยประสบการณ์นี้คงเป็นเรื่องานวินี่หรือ อันที่ฟงเนี่ย เ, เสียงที่ดังนั่นคงดังอยู่ข้างในใจอ่ะแค่ที่จรงแล้วคนอื่นที่นั่งอยู่ใกล้ๆนั้นจะจำไม่ได้ยินเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเสียงดังนั้นมันจึงเกิดขึ้นมาในวาระจิตน่คือเอ่อจิตงเรากําลังจะเก้าวข้ามจากที่นึ่งไหาที่หนึ่นนงเกิดจิตมีกำลังกระบีแทนที่จะไปได้ก็เลยไปไม่ได้เพราะว่าตกใจซะก่อน แต่เช่นยังไงจะตาม่าเป็นอย่างนั้นได้ก็ถือว่าเกิดสมาธิแล้วแต่ต่อไปจะไม่มีอ่ะที่ฟังจะฟังต่อไปขอเชิญท่นนักลึมีคงสริพัฒนการเข่จุดลงสู่สมาธิเป็นอย่างไรและเกิดขึ้นได้ยอย่างไรค ะ, ะน่การลาชินการเข่เนี่ยถือเหมือนกันกับเรามอง แต่แท้ที่จริงแล้วนั้นการทำสมาธิในเบื้องต้นเนี้เป็นเครื่องพูดแตใช้การเพิ่มเพราะว่าการจะเป็นสมาธินั้นดูพุทใจของเราหนูโดละอารมณ์จะเป็นสมาธิทันทีการเพิ่ม น, นมันเป็นเรื่องของสจิตอาจจะเพิ่งไปเจอจิตใจจิตหนึ่ ง, งแต่อย่างนั้นจิตอย่าถ้าเราจะทำสมาธิ อย่างจะเพื่อทู่จะทาเป็นคุ้มฐานอย่างนี้แล้วเนะี่ยการเช็งอย่างนั้นไม่น่าจะมีคุณเข้าใจป่ะ่ยปกติคนคนชอบเช่งสิตพอบาลูสรมมาคืว่าการเช็งนี่มันจะไปใช้สมองออกไฟข้างหน้าหเนทีนี้ออัไฟข้างหน้าแล้วนี่ยมันจะกลายเป็นไฟแอร์จิตอยู่มันไปจับหลักข้างนอกทีนี้ถ้าหักว่าเราไม่พูดโทรอย่นี้ เราไม่เอาอ้การเพ่งนั้นจิตนี้มันจะมาสงบอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นคนเพ่งกระสุนบงทีอาจจะจิตใจนีน่มันจะไปให้ความปริบไปตรงเด็กต้องคุ่กันจริงๆเลยแบบเพ่งเราไม่ได้เพ่งนอกเราเพ่งที่ใจเราเองอย่างนั้นต้นไม่เรียกเพ่งรอบริกรรมนะทำงานที่นี่แล้ว <c oughs> ลก็ชัวร์ปฏิกรรม ถ้าแพ่งแล้วมันเกิดความรู้สึกเฉยๆแล้วก็รู้ที่ลมของใจนี่ก็ถือว่าสงบเป็นส ม, ม, มาธิครัอ่าอันนี้อันนี้เราเรียกว่าบริสันสงบจิตเรียกว่าสงบเราจะเรียกว่าบริสันเราไม่เรีกเพโดยที<ต><น>เ่เราไม่ได้ไม่คุยเทเลยรอบด้นไม่ไม่คุยเทแต่ว่าเรานนนนสงดจิตและที่จิตอันนั้นมันก็เป็นเรื่องสมาธิเหมือนกันแต่ น, น, น, น่านะจะนั่งนะอ่ ต่อไปขอเชิญคนวลตาหานสมบูรมนอรได้เจอค่ตั้งแตรเคุณถาว่าในการปริบิเรเร่มบริการพิเศษอะไที่สุหนึ่งงเรที่ยรู้สึกตัวดีอยู่เราจะทำอย่างไรต่อไปนีมเป็นบริการอะไรต่อไปออ ถ้าเพื่อจิตสงบแล้วนี่ทำบริรันเราจะลักทิ้งได้เราหยุดไปเลยการบริสัมนั้นเพื่อให้จิตใจสงบระดับหนึ่งพอจุดสงบได้แล้วนี่เพื่อรักทำบริรันจิตใจสงบลงไปอีกระดับหนึ่งเป็นละระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราหยุดทำบริสรมแล้วมันยังนึกจิตัวมันไม่สงบต้องกลับมาบริสันอีก แต่ถ้าหากว่ามันสงบแล้วเราปล่อยความบริกรรมเลยจตกเดนไปอีกระดับนึ่งรู้ใจมันไปีไนใมันหนสเรู้อยู่ที่ไหนสงบอยู่ที่หนไม่ใช่วงไหนจะรู้อยู่ที่ไหนตั้งสงบอยู่ที่ไหนนั่นเท่าว่าจิตมันจะไปอีกระดับหนึ่งและดับที่นึกบริกรรมนั้นนะนั่นเป็นระดับน เต่พอเวลาที่จิศทางเราสงนเมื่อจิตสงบแล้วเราลห็นธรรมบริรัมนั้น่จะกระจาอุกรรดับนึงระดับนึง็ยความว่าถึงขึ้นแต่ที่นี้ถ้าหากว่าถึงขึ้นไม่ได้ระดับความลุกขยังมีอยู่แต่ต้องกลดมาบริสรนน์ไปไกลกว่าจังที่เมืองพันอรินรัฐจะมีการมาตรการทางการที่มีปัญหานีิ การเที uh, d d ่จแสงสีน <Okay. S 1> <Yes. S 2> uh ีคะการที่เราฆ่าสัตว์ชีวอืเช่นมดงสาตุ้งหอยปูปลาน่ยถือว่าเป็นบาป็รือเปล่าคะเป็นบาปไหมทานบาปมืนี่เขาพักกินกั่นไ้ลาแม่่าให้ฟังัพื่อนมีช้าอนึ่งเขานใส่ในถุงาเกเียกเปลือเปล่เลือตัวด้ตายท่านจะไม่รู้ว่าเป็เปกเปลอกตายไหได้ เกียรติก็ตายต่อมาไม่ฆ่าให้นาพระนั่นก็ตายทีนี้เสียดตินก็เลยเกียรนเป็นเอกกรมเนในพานพระนั่นก็โสดมาก็บวชเป็นพระอีกบวชมาวันหนึ่งในพานนั่นเขาก็อยากจะไปเยีอยมพี่น้องเขาแต่นั่นต้องผ่านป่าใหญ่ไปแค่เป็นนายโอมพระเขาจะเดินทิดองไปที่ป่านั้นเพ่อเดียวกันทีนี้ในพานเขาตกลัวตกโจร ็ขาจะขพระเป็นเพื่อนเขาจะเดินไล่พระไปพระก็เห็นว่าในทานมาไึ่ชั่วผู้ร้ายเขาเลวิ่งต่อเห็นพรไในทันได้พระที่จะลงหลบหนีจะจิ้งม้นานเขาจะเลยคิดว่าห้ากลัวจะัวอของที่พราถืงและนั้นเราจิ้งอยู่ส๋าจะลงัดหายไปอู่ที่ไหนพระพอดีเอ่อไปก็เจอเดิญปืนนนไทรัฐไทยสามเิน สราชิการค่ะสุดขย่าเรืองถามให้ฌานว่าอานิสงส์ของการสวดดิชาคัพทุกขุเป็นยังไงคะหือเพียงเพื่อให้จิตสงบเท่นั้นอ่นอกจากให้จิตสนบแล้วการสาธุทุกขุนนี่เป็นอานิสงส์อานิสงส์ทุกคำทุกคำเวลาที่เสด็นมด้เวลาที่ภาวนาอย่างเช่เรานั่งสมาธิอย่างนี้บริสัมพุทโธ คำพื่โทร่งนั้นกเป็นบุญเปอาณาสงฆ์ดังนั้นการเสด็จพุทธคุณก็เป็นอาณาสงฆ์เป so ็นบุญแก่ท so ี่นั้นผ so ูกผู้ทำผู้เขาเสด็ไปในเวลาผู้เราเสด้นใจนั้นเราจะเสดทจพุทธานุสติกบุญที่จะจบพุทงมาได้ไหมอนุสิประสบการณ์เล็กสิ่งสิ่พุทธเล็กสิ่งสิ่งเธอทำล็กสิ่งสิ่งเธอนในุสสิ เราเมื่อไรก็คงเป็นอย่นั้นความคุณงานเทวันต่อ ว, วิชยขอพระคุณพระ อ, อาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ภาษาวิชาการนั่งสมาธินานพร่ อ, อตัวสุดเองก็ไม่สามารถที่จะไปหาโครูที่สามารถสอนสมาธิไม่ได้นะคะแล้วตสุดอยากถามว่าในการนั่งสมาธิของสุดที่บ้านนะคะพอนั่งนั่งยังไม่เห็นบริกรรมเลยะค่ะแล้วก็นั่งแล้วเหมือนกับเราเองเรานอน ไปสักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วพอตื่นขึ้นมานะคะจะมีความรู้สึกว่าหน้าเราไม่มีเที่งไฟฟ้าอยู่หน้าไม่จะใสมากมีความอึดออดและยิ่งมีก็เอ่อเหมือนเหมือนกับว่าเราเนี่ยทานข้าวได้อินแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเนะี่ยบริกรรมมีผิดเพี้ยงมาเหมือน ก, กับว่าเคยไม่เจอหรือตลอดเวลาแล้วพอตื่นขึ้นมานะจะมีอาการเหน็ดชาเอออบ้างหรือว่ามีกลิ่นปวดเมื่อยจมูก อางนี้เล้วตุกอยากเรียนถามว่าเราจะให้บริการได้ไหคะเนี่อันนี้จะอธิบายให้ฟังว่าสมาธิทุ่มและสมาธิลุกไอ้อย่างสมาธิลุกเนี่ยในที่สุดมันก็จะลาเป็นต้นทางและจะทอสบายแต่สมาธิทุ่เนี่มันจะไม่สบายนะแต่ว่ามันก็ก็ไม่ชในสบายแลวจะไม่จสบายนะ ถ้าผลนั้นสมาธิเพิ่มจะมีผลมากกว่า่สมาธิลึกหรือเรียกเสพทานทานนั้นเหมือนกันกับคนที่รับประทานอาหารทานเหมือนกับความอิ่มอร่อยแต่ส่วนสมาธิเพิ่นั้นเหมือนกับอาหารในการอิม่มอร่อยนั่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรให้รับประทานแต่ว่าส่วนที่เป็น ผลจริงๆนั่นอยู่ที่ข้าอยู่ที่อาหารอะไรบำรงเยื่อและร่างกายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องควรทำทั้งสออย่างคือว่าต้องทํทาทสมาธิเพื่อเอาพลังจิตแ<อ>ย่านั้นในการแนะนํานี่จะต้องแนะนําว่าการทําความรู้สึ ก, กษษสทัวในชั้นจักรรูปฌานโวเบิดสมาธิสูงอันนี้พลังจิตจะเพิ่มเพราะว่าการทํา สมาธิเนี่ยบริบทของหมายของการพลังจิตเมื่อเติมเตนนั้นการทำสมาธิที่มีความรู้สึกัวมีสตุนั้นนั่นคือการส่งเสริมพลังจิตแต่ส่วนการคือการโยกย้ายเฉยๆนั้นเป็นทางเท่นั้นสมาธิตวิปัสสนาต่างกันไงท่าน่เพราว่าเลยพราะว่าใิดสังขาร อจับงานราชการหลวงพ่อจะทำลูกอยากจะขอให้หลวงพ่ออธิบายว่าการทำสมาธิเนี่ยกับการปฏิบัติตัวเองที่เหมือนกันหรือเปล่าพี่คะไม่เหปปกกะะมือนการทนสนาธินั้นเพื่อเ่งเเกินให้เกิดพลังสิตแล้วก็การทาสนาธิ มันจะไปบางส่วนขึ้นพลังจิตทรงนี้การสะกดจิดนั้นหมายถึงว่าจะตรงถึงที่มีรมอะไรเราสะกดมนเอาไว้มีอะไรเราสะกดมนเอไว้อย่างนี้แต่ว่าอกอรไว้มอย่างนั้นนะมันก็ไม่ใช่เป็นผลดีนะไม่ใช่ใชค่ะรูปหมายถึงว่าการสะกดจิดอย่างขงพลังอาหารที่ว่าสะกดจิตให้เนเรามองเป็นอะไรเป็นอะไรอยงนี้ค อ๋นั่นมันเป็นเรื่องของอทธิแตบหนึ่งรายเอาไว้อธิบายตอนยานท้ันอระคุณก็ใ่อ่านกุมารีพรคุณอะรนี่ะอืมที่ารลังนะคะในพระชักที่ท่าเอ่อพิทูลแล้วก็วาชักเป็สมาธิเป็นที่เราหคะ ่บางรงที่เสืเ่ได้สบายเลยไอที่ฟที่ฟังไม่เหนือยทเลนยพอมีแผลมันก็ใคเลยแล้วก็บอกว่าห้อระายใ่รมดายเนี่ยติดที่ใจรว่าเจอนถึงเที่สุดใ่ะแล้วที่ที่ทำนี้ก็พลนไปเลยะแล้วเอ่อถ้าสมมติว่าเจ้าเาของห้องพรเนี่ยให้ไปห้องพระที่อื่นเลยก็ ก็อขอให้พระทุกท่านมีแ้เขไม่รู้สึกว่าให้พระเท่าไรแต่พอเราไปเนี่ยเรารู้สึกแรงคำว่าแรงในที่นี้หมายถึงว่าคาผัดลักษณะแบบตัวชาบ้างหรือกม่อชาบ้างอะไรทั้งนี้นะเอ่อชาเปรียวถามอยื่เขาว่าอันนั้นคือพลังอะไรแล้วก็ใครเคยได้ยินยังไงคะอ่า น, น, นี่เกี่ยวกับโอ้เจ้ารุศ น, นี่ เต่เขาทำกันจะเป็นการถดโกยบ้างจะเป็นอะไรบ้างเราเลือกกันว่าทำผู้ภูผู้พาทู้เปรตโวยวายพระองค์ไหนท่านมีพลังจิตอะไรต่างๆทีนี้ไอ้เรื่องนี้เราต้องอธิบายกันวอาเพราะว่าพลังจิตได้ได้กระทั่งขึ้นมาเป็นสิ่งเป็นก้อนเป็นสิ่งเป็นก้อบแล้วแต่พลังจิตตัวนี้มันไม่มีการสลายตัว มันไปอยู่ในที่ไหนก็จะไปแสดงที่ผลที่นั่นอันนี้เราตั้งมีอเหตุผลว่าที่จะตงอธิบายแต่ ท, ท, ท, ะะแ ท, ออทั้นี้ไอ้จิตของเราเนี่ยมันมีเชื่อเรือไมเชื่อมีสมาธิหรือมีอะไรที่เป็นเชื่ออยู่ภายในจิตของเพราเวลาไปนั่งอยู่ในที่ที่มีพลัง ส, มสัมผัสได้อันนี้เพราะว่ามันมีเชื่อพังจิตที่ในตัวของเรา หาคนอืกนที่เขาไม่มีเชื่อคุณให้คางไม่มีพลังจิตนั้นเวลาไปมันจะไม่รเรื่องอะไรอ่าศาสตน่นเยน่อแล้วทาไมเจ้าตัวเจ้าของห้องพระทำไมไม่รู้สึกอะคะเขาไม่มีเชื้อคนเดียวกันไปที่ห้องพระห้องอื่นทำไมรู้สึกอะคะไม่เขาไมมีเชื้ค่ะู้จเอ่อ ไอ้เพื่ออเนื้เราจะต้องมันต้องอธิบายเยอะทั้งน้ายงงเลี้ยเมื่อถามวงน่าไปอย่างนี้เยอะหน่อยมิตรดาโพวงเศมเื่อง่าสุมที่ดูคนถีว่าถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่การได้เฉลยที่กำหนดจิตจะใช่หรือจะรช่รูปด้ายรีไ พ ล, ลังจติตกับพนะลังจักรวาลจะเหมือนกันหรือไม่พลังจิตเนี่ยสามารจที่จะรกักษาโรคได้และก็หลวงพ่อก็มีวิธีวิธีเนี่ยจะจัดการยันยันบุคคลหน้าเนี่ยถข้างหน้าต่อไปพลังจักรวาะมันก็คือใจถ้าใจไม่มีแล้วจะไปไอาจาักรวาลทีไ่ไหนมาไอพลังเนี่ยมันอยู่ที่ใจสังคงเมเรานี่เอง เอาว่าไดฟังสังน่ะ